เังไม่ค่อยมีคนรู้นะโรค ก, ก็ไม่ได้เป็นโรคหรือว่าเป็นเรื่องของความผิดปกติทางเคมีหรือว่ า, าสิ่งที่มันเป็นระบบของการทํางานของสมองซึ่งเราก็ได้โอรสสาคัญก็คือเรื่องของทางด้านจิตใจนะคะที่จะเยียวยารักษากันเพราะฉะนั้นที่จงก็ได้ประโยชน์มหาศาลจากาการที่เราปฏิบัติธรรม